ตจากนี้ไปเป็นการแสดงทมเรื่องความตายคืออะไรโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่8มกราคม2547ที่พุทธสถานปฐมประสค์ขอชอนทัติตามรับฟังได้นะบัตรนี้ แจ้งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการลำบากใจและไม่เกิดสิ่งที่น่าเกลียดเพราะนานไปแล้วสมัยนู้นไม่มีการฉีดยงชิดยาไม่มีการรักษาได้อยู่ไปอย่างมากวันหนึ่งมันก็ทักจะมีกลิ่นแล้วสองวันไปก็เหม็นก็เน่าก็อะไรต่ออะไรไปมันก็เจอแย่ก็ทำให้น่าเกลียดเกิดความรังเกียจกันเป็นๆก็ยังดูกันได้ นคนเป็นๆก็หอมอยังอะไรๆกันได้ไม่หอมก็ไม่เหม็นอะไรเงี้ยแต่พอตายแล้วก็จะเน่าจะเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจน่ากลัวบางทีเน่าแล้วก็รูปร่างเปลี่ยนไปสีดำสีคล้าตาปนลิ้นออกมาอะไรต่างๆนานา ม, มันก็จะดูน่าเกลียดพระเจ้าท่านถึงได้ตรัสให้ตัดไฟแต่ต้นลมท่านตรัสว่าให้เผาเร็วที่สุดไม่รอแม้แต่ญาติที่เดินทางไกล ที่เดินทางไกล ย, ยังมาไม่ถึงที่ว่าฉะนั้นพรสมัยโบราณเนี่ยเขาเดินทางเขาไม่มีรถมีเรือมีเครื่องบินอะไรอย่างงี้หรอกเขาเดินทางมาก็โดยเท้าอย่างดีก็ขี่มา้าขี่รถลากอะไรไปมาสิ่งรถลากก็ไม่เคยมีอะไรมากมายนอกจากเป็นเจ้าเป็นนายที่มีรถลากนะมีรถที่ใช้มารากลากหรือใช้อะไรลากมา้าเน่ยส่วนมากก็ใช้ม้าราคสมัยโบราณก็จะต้องเป็นเจ้าไม่มีเจ้าไปเป็นเจ้าไม่มีสิทธิ์ไ ม, มไ่ได้ใช้กันหรอก ตอ น, น, นก็มีเกวียนเก่งก็มีเกวียนใช้งวลากควายลากอะไรไปหรือลาลากอะไรพวนี้ไปนันก็เดินยังยังเป็นสามมันเดินมันก็นานกว่าจะมาถึงถ้าคืนรอกันแล้วเนี่ยเน่านก็จะรอยากจะมาถึงยา ก, กิก็แยกกันไปทำกิจทําการหนาะกินไปต่างดินต่างแดนมากันบางทีเดินเธอทางกันมากกว่าจะถึงก็เป็นเดือนไม่รอดไปไม่ได้ ผมจ้าถึงใต้ปรับเช่นนั้นให้เผานะเร็วที่สุดไม่ต้องรอญาติที่เดินทางไกล ย, ยังมาไม่ถึงนะหมายความว่าเดินทางใ ก, กล้ๆก็อาจจะรอกันวัน2องวันอะไรก็ว่ากันไปนะก็พอได้อันะอนี้รมกันพอไปมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่กลายเป็นว่าให้รอญาติแต่รอเพื่อที่จะฉลองอะไรก็ไม่รู้สวดก็ได้รอยวัน สวนกนได้เป็นปีผู้ร่ำรวยๆก็ทำกันสวนกันไปทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีอะไรให้เป็นภาระไปเรื่อยโดยการคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นเกียรตินี่ก็หลงเกียรติหลงยศกันเป็นเกียรติโดยอาเหตุผู้ตายเป็นเป็นสิ่งที่กดดันจะว่ากดดันก็กดดันกดดันให้คนที่ว่ามีงานชนะ ถ้ายังรักฉันนับถือฉันบูชาฉันเคารพฉันต้องมานะกำหนดแล้วนะว่าวันนั้นวันนี้วันนี้มีถึงวันนั้นวันนี้อะไรงี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นการเบ่งในตัวในการกระทํานั้นจนกระทั่งจริงๆแล้วไม่รู้เราว่าตัวเบ่งนึงกว่าเป็นการทําอย่างอลังการทําอย่างยิ่งใหญ่ทําอย่างครบสูตรอะไรงี้เป็นต้นและแม้แต่ศพก็ ประดับประดาตกแต่งอะไรแต่ออไรประกอบขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องผลานพราดทาลายแล้วจะต้องเอาอย่างกันคนจนตายแทบตายไม่ลงพราะตายแล้วถ้าไม่ทําศพอย่างที่เขาทํากันเป็นจารีปประเพณีจะต้องมีดอกไม้จะต้องมีเครื่องประดับจะต้องไปเข้าวัดไหนแล้วก็จะต้องมีข่านั่นค้านี่ข้านี่ขานอนขานอน ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาจัดงานศพดีไม่ดีก็จะต้องมีฉล้องมีโขนมีรักิเกมีหนังมีอะไรก็หมายรู้ว่ากันไปแล้วล้มงัวล้มควายเลี้ยงกันโอ้กินเหล้าเมายากันอกีกเลอะเทอะไปอีกมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเนื้อ ง, งอกนะเป็นเรื่องบานปลายเป็นเรื่องที่เหลีวไหลนะเป็นเรื่องใช้ไม่ได้นะมันไม่ประหยัดและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ส่งเสริมอะไร ให้มันดิบมันดีอะไรมีแต่เรื่องกลายเป็นอบายมุกเดี๋ยวนี้ถ้าต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวนี้นี่ถือเป็นถ้ามีงานศพแล้วนี่มีการเซ้งกันนะตั้งบอลนะจัดการดูแลคุมเลยเป็นการบ่อลสวดกันเจ็ดวันก็ตั้งบอนได้เจ็ดวันก็มีไรายได้กันเป็นเดือนหมื่นเดือนแสนเดือนล้านเรียวว่าเซ้งกันหรือว่าเรียกว่าประมูลกันเลย อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งฟังแล้วน่ากเกลียดมากเลยทําอะไรเลอะเอะเปลือปล้อนไปอย่างนั้นนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเลวไหลคนเราจะมีการปรุงแต่งหรือว่าการประยุกต์ไปในทางเลวไปในทางเสื่อมอย่างนี้มากไม่ว่าเรื่องใดๆแต่เรามองไม่ออกคนฉลาดก็พยายามยกยอยกย่องทาให้มันจะงง้นอย่างงี้อะไรใด้ดูว่าดูดีดูดง่ามอะไรใดๆต่างนานาเช่นไอ้พวกที่เดินแฟชั่นแกล่งเปิดุงเปิดนมแล้วบอกว่าผ้ามันหลงมันหลุดอะไร มันเจตนาเปิดเสร็จแล้วเอาอะไรไปปิดที่หัวนมมาไว้แล้ว่ามันแกล่งมันผ้าหลุดอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการปรุงแต่งที่มันบ้าบ้าบอๆแล้วก็อ้างว่านี่แเราคือศิลปะไม่ได้กล่าวหนาอะไรเลยแฟชั่นมันก็ไม่กล่าวหนาก็เพราะว่ามันไม่เปิดหูเปิดตาเมืองนอกเขาไปถึงไหนแล้วจังห่วมันบะไรเมืองนอกมันจะบ้าจะบอมันจะเร็วสามต่ําชายไงก็เรื่องของมันแล้วก็ไม่รู้ว่านํามันคืออะไรคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ ทํากันไปสารพัดนี่เขายกตัวอย่างมาประกอบมาเห็นว่าวิธีการประยุกต์วิธีการเจาะปรุงแต่งหรือผสมผสานอะไรขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราเป็นรูปเป็นแบบอะไรที่เลอะเทอะเปื้อนนั่นแหะมันมีมาตลอดกาลนานมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันมากจนกระทั่งมันพูดก็ไม่รู้เรื่องพอเรามาจัดแจงให้เข้ารูปแบบเดิมให้มันกันทําให้ง่ายให้เรียบให้สบายให้มีคุณค่าประโยชน์เท่าที่ควร จะมีการสวดการเทศการบรรยายธรรมะที่เป็นประโยชน์นอย่างน้อยก็ได้บอกให้รู้สัจธรรมว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องสาระสัจจะเป็นเรื่องจริงไม่มีใครหลุดหลีกพ้นได้จะต้องเป็นไม่ไม่ว่าใครก็ใครไม่มีใครที่จะเลี่ยงโดยเฉพาะเรื่องตายถึงวันหนึ่งก็ต้องตายไม่มีใครที่จะไม่ตายเพราะงั้นก็มาพูดกันให้รู้เรื่องว่าเรื่องตายก็คือตาย ตายแล้วก็เอาละจะมีการระลึกถึงบุญคุณกันก็ดีการระลึกถึงบุญคุณนั้นเป็นสิ่งดีแต่ถ้าโศกเศร้ามันก็เป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องไม่ค่อ ย, อยจะดีแหละถ้าจะว่ากลับไปแล้วใครไม่โศกเศร้าได้แต่จะระลึกถึงเป็นสารานิยะเป็นการระลึกถึงอยู่ระลึกถึงสิ่งที่มันเป็นอ ะ, อะไรที่ดีดที่ ด, ดีที่เรามีความรู้สึกดีๆประสบการณ์ที่ดีด มีความสปอสัมพันธ์อะไรกันเกี่ยวข้องกันที่ดีๆนำพากันเจริญนำพากันพัฒนานำพากันทำสิ่งที่ดีงามอะไรขึ้นไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ราลึกถึงเพราะฉะนั้นเวลาคนตายแล้วก็จึงจะพูดกันถึงเรื่องแต่สิ่งดีๆของคนตายสิ่งไม่ดีก็ก็เลิกก็จบเพราะก็ให้ตายให้ฝังเผาไปในสิ่งที่ไม่ดีของใครก็ตามแต่ลืมมันซะได้ทุกคนเลิกหมดจำไม่ได้เลยทำไม่เป็นเลยในเรื่องไม่ดี ใครจะทำก็สั่งถ้าจำได้ฟังได้เลืกได้มันก็ดีส่วนสิ่งดีนั่นก็เอามาพูดกัน<ม>เอามาบอกกันเอามาเชิดชูยกจ่องกันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะ ก, ก็ทำกันไปหรือจะอาศัยการรวมพลรวมคนมาในงานนี้มาะระลึกถึงกันจะเป็นแบบเป็นพิธีการเป็นยันต์จตพิธีอะไรขึ้นมาที่จะทาให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาก็ดี แล้วก็มีผู้รู้มาบรรยายมาเทศมันแสดงธรรมมาบอกกล่าวสิ่งที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์อย่างนั้นมันก็ดีนะอย่างที่เราได้ทํำทากันเรื่องที่มันบานปลายวาตกรรมก็จะไม่รื้อฟือ้นนึเล่าอะไรตัวใดที่มันเคยเคยเล่ามามากแล้วเรื่องเกี่ยวกับการงานศพงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าใครอยากรู้ก็ไปถามไถ่ผู้ที่เคยอดีตได้ฟังมาก่อนหรือไม่ก็ไปค้นเทปค้นอะไรตัวใดมาดูมาฟังก็ได้นะ การตายเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนร่างเท่านั้นเองของมนุษย์เพราะมนุษย์นี่มีจิตวิญญาณแล้วก็ยึดกันเป็นอัตตายึดกันเป็นอัตตามันก็ไม่สลายมันก็จะเกาะกลุ่มอยู่มีพลังงานที่เกาะกุมพลังงานเรื่องนั้นเรียกว่าพ ล, พลังงานจิตหรือพลังงานวิญญาณเกาะกลุมกันแล้วมันก็ เรื่องพลังงานจิตเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีอารมณ์รับอารมณ์เกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์หรือเกิดอารมณ์ชอบอารมณ์ชังอะไรต่างๆพวกนี้เกิดเป็นอารมณ์เป็นชีวะที่มีอารมณ์ส่วนพีชะจากต้นไม้หรือสัตว์ชั้นต่ำํำสัตว์ชั้นต่ําเซลลไม่กี่เซลล์สัตว์พราที่ยังมีพลังงานในระดับที่มันไม่ติดอยู่กับที่เหมือนต้นไม้ เคลื่อนไหวไปโน่นมานี่ได้อะไรเงี้เป็นสัตว์ที่มันเกาะอยู่ๆก็พื้นดินหรือก็อยู่กับติดกับที่ตรงนั้นตรงนี้เป็นสัตว์ชั้นต่ําก็ยังไม่มีภาวะมีอารมณ์มีความรู้สึกไม่ยังภาวะพูดโดยภาษาธรรมก็คือยังไม่มีเวทนามีแต่สัญญากับสังขารคือมีแต่การกําหนดรู้นะสัญญากําหนดรู้รู้อะไได้จําอะไรได้กําหนดรู้แล้วก็บันทึกของเขามีส่วนบันทึกของเขา นะมีพลังงานทางฟิสิกส์คือมีพลังงาน<ม>ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกนี้พลังงานทางฟิสิกส์และเป็นชีวะด้วยตัวเองนะเป็นชีวะนะไม่มีอารมณ์สุขทุกขนะ์ไม่มีชอบไม่มีชังไม่มีเจ็บไม่มีปวดพวกนี้คือพีชะนะเป็นพวกชีวะชนิดชั้นต่ำคนก็เป็นพีชะได้นะคนที่ที่เราเรียกกันว่ามนุษย์พืช หรือพลังงานในจิตเนี่ยพลังงานในตัวเองตัวตัวคนเนี่ยมันลดค่าต่ําไปถึงขั้นหนึ่งในว่าขั้นผีชะที่ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วเป็นขั้นต่ําตกไปขั้นนั้นแล้วมันไม่เกิดขึ้นมาดีขึ้นกว่านั้นมาะึงขั้นจิตได้แล้วพลังงานอย่างนั้นก็เรียก ว, ว่าพลังงานของผีชะเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นพลังงานจิตหรือไม่ถึงว่าพลังงานวิญญาณพลังงานมนุษย์พืชเนี่ยถ้า จะปล่อยให้ตายก็ ไ, ไม่ได้หมายความว่าเราฆ่าเราฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์มันเป็นแค่พืชมนุษย์อยู่ในร่างมนุษย์แต่มันก็แค่พืชมีคุณสมบัติแค่พืชเท่านั้นเป็นชีวะแค่พืชคนสามารถที่จะลดลงไปได้ถึงขนาดนั้นทุกวันนี้หมอก็ดีแพทย์ก็ดีก็พิสูจน์ไม่ออกไม่เรียนรู้สัจธรรมก็ไม่รู้ว่ามนุษย์พืช น, นี่เป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือว่าเป็นพีชะเรียกมนุษย์พืชเหมืนอนกันนะ คือรู้ว่ามันไม่มีปฏิกิริยาแบบคนไม่รับรู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรหรอกไปกระทบสัมผัสเอาอะไรไปผ่าไปจิ้มทํำอะไรยิ่งกว่าวางยายิ่งกว่าสลบไม่รู้เรื่องหรอกไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรหรอกเหมือนกระพืชนั่นแหละแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่คนแล้วไม่ไม่ไปไม่ใช่สัตว์ที่มีเวทนาแล้วอันนี้ก็คือไม่ได้เรียนรู้สารสัจจะนะ ถ้าเปิดว่าศึกษาทางสัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจอะไรใจต่างนานพวกนี้ได้ดีมากนะเพราะคนตายคนเกิดเนี่ยเป็นเรื่องสามัญพระพุทธเจ้าเนี่เป็นผู้ที่เป็นคนเหมือนเราท่านค้นคว้าแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยสืบต่อไปเรื่อยๆแต่ชาตินี้เกิดแล้วก็ศึกษาฝึกฝนได้รับความรู้สั่งสมไปก็เป็นบารมีไปเรื่อยๆเืยๆนับลานล้ชาตินับชาติไม่ถ้วน พระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์กว่าจะบรรลุเป็นพระุทธเจ้านี่ค้นคว้าศึกษาความจริงความจริงของคนนี่แหละว่าคนนี้มันคืออะไรกันแน่ดีที่สุดสูงที่สุดสุดยอดที่สุดคืออะไรจุดสําคัญที่สุดที่ควรจะเป็นควรจะมีก็คืออรหัตผลหรืออรหรันเป็นจุดที่ดีที่สุดในทางพลังงานทางจิตและท่านก็บอกแล้วว่าจิตหรือมโนเนี่ยเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงถ้าทําตรงนี้ได้ให้สมบูรณ์แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ คือล้างกิเลสตัวเหตุที่มันพาร้ายนี่ได้ก็จะเป็นสิ่งดีและแม้ที่สุดมันก็ไม่ใช่ตัวตนท่านก็ค้นคว้าโจก็ต้องรู้เป็นราหัตผลนี่ก็คือรู้แล้วว่าอ๋อจิตมันคืออะไรจิตมันคือสภาพพลังงานที่เป็นเครื่องปรุงแต่งกันอยู่เท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวตนอะไรถ้าเราเอาพลังงานของเราหรือเอาตัวของเราเขาไปยึดว่าเราเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นอยู่เรายังยึดอยู่มันก็จะอยู่ถ้าเราไม่ยึดผู้นั้นวางเป็นแล้วปล่อยเป็นแล้วจริงๆโดยเฉพาะ ตัวกิเลสที่มันเป็นตัวยึดมันยางเหนียวกิเลสตนาอุปาทานเนี่ยมันยางเหนียวล้างอันนี้หมดแล้วก็เหลือแต่ว่าเราเองเราจะยึดหรือปล่อยเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์หรือพระอาาริยะชั้นสูงเนี่ยท่านล้างตัวยางเหนียวหมดแล้วและท่านจะยึดหรือไม่ยึดเป็นเรื่องของท่านท่านจะยึดมากยึดน้อยท่านวางเป็นปล่อยวางเป็นคนจะปล่อยวางเป็นอรหัตผลได้ก็คือในระดับชั้นสูงเท่านั้น คนธรรมดาปล่อยวางไม่เป็นหรอกไอ้ที่ปล่อยวางปล่อยวางนะั้นเป็นเรื่องผููกันไปงั้นแหะปล่อยวางแบบสามันปล่อยวางแบบโลกียะแล้วก็ทํากันอยู่ตัวบ้านตัวเมืองก็ได้ได้ผลมันก็ไม่ทุกข์แต่มันไม่ได้ล้างกิเลสมันไม่เป็นปรมัตา์หรือไม่ได้เป็นโลกุตระมันเป็นแค่โลกียะเท่า น, นั้นเป็นผลสมสถะเป็นผลโลกียะธรรมดาก็ทํากันและสอนกันทุก ว, ว, ว, วันนี้ทั่วไปก็สอนอยู่แค่นี้แค่โลกียะหรือแค่สมสถะไม่ได้เรียนรู้ยังลงไปมีญาณมีวิชา8มีวิชาเก้ มีญาณมีปัญญารู้ในขณะปฏิบัติเป็นฌานเห็น<ม>จิตใจอ่านจิตใจออกวิเคราะห์จิตออกกิเลสมันอยู่ที่จิตได้ก็แยกกิเลสออกได้และมีวิธีทําให้กิเลสลดโดยวิปัสสนาวิธีวิปัสสนาวิธีก็คือพิจารณาเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้มีคุณค่ามันมีแต่ทาให้ทุกข์ทำให้เกิดภาระทําให้เกิดทรมานตกต่ำเสื่อมอะไรแล้วแต่ จะต้องอ่านจะต้องพิจารณาแล้วก็เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ไปกดคมไม่ใช่ไปเถือปราไม่ใช่ไปทําลืมๆทิงท้งๆแต่เห็นด้วยปัญญาเอาเหตุเอาผลเอาหลักฐานความจริงเอาตัวอย่างเอาหลักฐานทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่ยืนยันกับตัวกิเลส ข, ของเราเนี่ยให้กิเลส ข, ของเรามันลดลงด้วยยอมจำนนต่อความจริงกิเลสลดลงลงจนทั้งเราอ่านซ้อนว่ากิเลสลดลงแล้วในจิตที่กิเลสลดแล้วในจิต คนจะเป็นอย่างไรจิตกิเลสลดลงแล้วจิตคนจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่โกรธเพราะเหตุกิเลสนั้นๆมันจะไม่โลภเพราะเหตุกิเลสนั้นๆมันจะไม่ทําการดูดการผลักหรือทําร้ายทําอะไรที่มันเกิดความสูญเสียความเสื่อมทามและมันก็ว่างเบาสบายมันไม่เป็นภาระมันไม่หน่วงไม่เหนียวไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมันจะเห็นเอง มันจะรู้สึกวออเลิกอันนี้ไปละอันนี้ไปว่างปล่อยสบายนะว่างไม่ใช่วางธรรมดามันว่างมันวางหรือบนจานคลายมันหมดมันจืดมันหมดมันเกลี้ยงออกไปเพราะเราปฏิบัติมันจนลดจนเกลี้ยงผู้นั้นจะเห็นมียานคนไม่เห็นจริงๆคนนั้นไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมต้องมีวิชาแปดวิชาเก้าถ้าไม่มีไม่มีสิทธิบรรลุเพราะมันไม่รู้เรื่อง มันมีแต่เดาการเดาไม่ใช่การบรรลุธรรมที่แท้จริงการบรรลุธรรมที่แท้จริงต้องรู้แจ้งเห็นจริงก็คงจะเคยได้ยินภาษาพูดต้องมีความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราบอกบรรลุธรรมเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นนามธรรมในจิตใจมนุษย์นะเอาละถ้าอาตมาจะอธิบายเรื่องปรมาภพพวกนี้มันก็จะยาวแล้วมันก็จะลึกซึ้งเกินไปก็อธิบายเป็นตัวอย่างให้ฟังเท่านั้นว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องที่ทําแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษยชาตินะเพราะเป็นพลังงานที่พิเศษและพลังงานที่ไม่ทําร้ายอะไรใครนะพลังงานจิตบริสุทธิ์เนี่ยส่วนตัวปลอมคือกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นมันเหมือนจิตปลอมตัวเป็นจิตเลยพระพุทธเจ้าตรีว่าอคันตุกะเป็นแขกไม่ใช่แขกจรด้วยแขกประจำแต่พุทธทาตัณเรียกว่าแขกจรอคันตุเกแขกจร จริงๆมันไม่ใช่ประจอกมันจอดมันประจําเลยไล่มันยากด้วยโอ้โหมันทําตัวเป็นเจ้าเข่าเจ้าของเลยนะมันจะเถียงเจ้าของเลยว่ามันนี่แหละเป็นเจ้าของชีวิตเรายิ่งกว่าตัวเรายิ่งกว่าจิตวิญญาณแท้ๆของเราเพราะจิตแท้ๆของเราแพ้มันด้วยซ้าไปนะแพ้ตัวกิเลสกิเลสมันเป็นเจ้าเข่าเจ้าของมันสั่งการให้ทําอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้ซึ่งหาแต่เรื่องทุกข์มาให้ตัวเองหาแต่เรื่องเสื่อมหาแต่เรื่องเป็นบาปเยอะแยะเพราะความไม่รู้ คนเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั้นตราหน้าได้ทุกคนสะสมบาปทุกคนและแทบจะทุกนาทีทุกวินาทีเพราะความไม่รู้เพราะอาวิชชาคนเรามีกิเลสนี่จะเอามาสมใจได้อยากได้อะไรมาสมใจพอได้แล้วสุขพอได้มาสมใจแล้วก็สุขถ้าไม่ได้ก็ทุก ดินรนเดือดร้อนแย่งชิงดีไม่ดีก็ทะเลาะวิวาทฆ่าแกงคดโกงทุจริตทําร้ายอะไรกันก็แล้วแต่ก็พาไม่พาทํ า, าทบาปมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าได้มาสมใจแล้วก็สุขขอถามหน่อยเถอะว่าคนเรามีความสุขเนี่ยกิเลสได้รับเสพสมบําเรอเข้าไปเนี่ยกิเลสนั้นอ้วนหรือกิเลสนั้นผอมกิเลสนั้นอ้วนขึ้นได้รับอาการบํารุงในกิเลสอ้วนขึ้นหรือผอมลง ออตอบถูกทุกคนเพราะฉะนั้นสุขกิเลส ก, ก็โตทุกกิเลส ก, ก็โตแน่นอนยิ่งผ่านกระแทงทำบาป ม, ม, มากกว่า ส, สุขด้วยซ้าไปสุขกิเลส ก, ก็อ้วนทุกกิเลส ก, ก็อ้วนคนดิ้นรนพ้นทุกแบบโลกีอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนทุกคนทุ ก, ท, กทุกก็ตามสุขก็ตามกิเลสอ้วนตลอดเวลาอ้วนในภาษาบาลีแปลว่าปุถุ ปุถุนี่ปแปล ว, ว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่าโตแปลว่ามากปุถุจึงเรียกคนเหล่านั้นว่าปุถุบุคคลหรือปุถุชนเพราะ้คําว่าปุถุชนคือคนกิเลสอ้วนคนกิเลสหนาคนกิเลสโตอยู่ตลอดกาละนานเพราะไม่เรียนรู้สัจธรรมนะศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่รู้สัจธรรมอันนี้อย่างชัดเจนท่านรู้โลกุตระรู้ว่าคนไปหาอะไรมาเสพสุขให้สมใจเป็นโลกียะมันกกิเลสก็อ้วน มันไม่จบนะแม้ที่สุดจะสร้างความดีคนที่ทําความดีก็จริงกรรมที่ทำนะกรรมที่ทําดีจะดีอย่างไรก็แล้วแต่ตีดีเพราะช่วยเหลือเกื้อกูลดีเพราะว่าเสียสละนะดีเพราะว่ามีน้ําใจอย่างโน้นอย่างนี้อย่างไรก็แล้วแต่มันก็ดีศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนดนะีแต่ไม่รู้จักกินเล็ดีแล้วพยองอีกต่างหาก ดีแล้วเบ่ขงข่มกันดีแล้วก็มันกดขี่ข่มเหงอะไรกันไปเอาเปรียบเอารัดอะไรกันไปแล้วแต่ถ้าดีก็ยังเอาเปรียบเอารัดเขาได้ตัวเองดีนะตัวเองเก่งนะแต่ยังเอาเปรียบเอารัดเขาอยู่โดยชั้นเชิงมีการหลอกซ้อนจริงๆมันไม่ไ ด, ดีแท้เราดีลวงรายละเอียดพวกนี้เป็นสัจธรรมที่ต้องมาศึกษามาพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยหลงหลงสุข สุขนั้นไม่จริงสุขก็ไม่จริงจริงๆแล้วทุกข์ก็ไม่จริงที่ว่าทุกข์อริยสัตว์นั่นคือผู้ประเสริฐนั้นสามารถดับทุกข์ได้สิ้นทุกขนิโรธนิโรทุกข์นิโรดับทุกข์ได้สิ้นทุกข์ไม่จริงดับแล้วคนที่ดับทุกข์หมดแล้วไม่ตายนอกจากไม่ตายได้ยิ่งสบายให้โดยซ้าใครที่ทุกข์หมดเลยอย่างพระอรหันต์ที่ทุกข์หมดแล้วนึกโอ้ยสบายไม่ได้ตายมีแต่ประเสริฐ มีแต่จําเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์อื่นที่ซ้ำสุขก็ไม่จริงทุกข์ก็ไม่จริงโดยเฉพาะทุกข์เนี่ยสุขก็เพราะว่ามันมีทุกข์มาก่อนมันมีการหลงมีการอาวิชามีโมหะมีอวิชาหลงหรือว่าโง่ อ, อวิชาโง่มันไม่รู้ความจริงว่ามันไม่มีจริงแล้วมันก็พยายามที่จะบําเรอให้เกิดสุขกันนั้นเมื่อมาปฏิบัติตามพระเจ้าเป็นปรมัตา์เป็นความ รู้ที่สูงยิ่งเป็นความจริงที่ประเสริฐยิ่งปรมาภินี่คือความจริงที่ประเสริฐยิ่งถ้ามาศึกษาแล้วก็มาพิสูจน์จริงๆแล้วก็เห็นนะอ๋อสุทุกข์นี่มันของเกเล้างเหตุแห่งทุกข์ได้โดวยวิธีอริยสัขขจขรร aja แล้วหมดจริงเป็นพระอรหันต์นไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆบอกคุณฟังเฉยๆแล้วก็ห่ารไม่เอาคนเฉยๆอย้นมันจะอยู่ไงนะเพราะเราติดสุขติดทุกข์แบบโลกีคนที่ไม่สุขไม่ทุกข์แบบโลกีแล้วนี่มันสุข พิเศษเรียกว่าวูปสมโมสุขหรือประมังสุขขังมันยิ่งกว่าสุขอาจมาเคยแปลภาษาอันนี้บาลีนี้ว่าประมังสุขขังมันยิ่งกว่าสุขไอ้ที่เคยสุขกันนะมันสุขไม่มีภาษาเรียกมันเบิกบานราเริงไม่มีหม่นหม้อไม่มีอับเฉาไม่ีหงุดหงิดไม่มีรําคาญไม่มีอะไรมันนิ่งสบายมันว่างนิ่งคือมันถาวรน่ะมันจบถาวรมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่พักไม่ดู มันไม่บาไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธอะไรเงี้ยมันโอ้มันรู้จะพูดยังไงมันกลางกลางมันอยู่เฉยเฉยและนอกจากกลางแล้วอาการของจิตมันกลางแต่มันมีธาตุรู้มันฉลาดรู้ทันรู้โลกียะคนนั้นเป็นอย่างงี้คนนี้เป็นอย่างนั้นโ อ, โอ้ก็รู้แล้วเขายังติดยังลงอยู่อย่างงั้นอย่างนี้ก็น่าสงสารหน่าสมเพชก็ช่วยกันช่วยได้ตัวไหนก็ช่วยช่วยไม่ได้แกมรู้จะช่วยยังไง แล้วมันก็เมตตาคือเห็นคนเขาทุกข์นั่นแหละมันจะเห็นคนที่ทุกข์อยู่เออมันน่าช่วยนะเราเป็นผู้ที่พ้นฝั่งแล้วก็เห็นคนที่ก็ยังโอ้โหจะเป็นจะตายอยู่นะกระเสือกกระสนอยู่มันก็สมเพรีย์พัฒนาภาษาไทยเราเรียกว่าสงสารนั่นแหละที่จริงสงสารนะั้มันแปลว่ายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารแปลว่ายังหมุนวนอยู่แต่มาใช้เป็นภาษาไทยเราไปแปลว่าหน้า หน้าอะไรฮะสงสารหน้าเวทนาซ้อนไปนู้นน่ะเวทนาก็แปลว่าอารมณ์หน้าช่วยเหลือหน้าเกื้อกูลหน้าสงเคราะห์เขาสงสารนี่หน้าช่วยเหลือจะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆริงมือนก็เราเห็นเออมดมันตกน้ำโอ้มันหนาสงสารเราเลยจับมันขึ้นมดมันจะไปถูกไฟไหม้อะาจะามันออกอะไรนี่เป็นต้น อะไรที่เขาได้รับทุกข์กันอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากคนใจด้านใจแข็งก็อีกเรื่องหนึ่งนะคนใจอมหิตคนมันไ ม, ไม่ใช่ใจมนุษย์ไม่ใช่คนใจสูงอ่ะเป็นคนใจต่ําอ่ะก็แล้วไปเถอะอย่างนั้นอนะ่ะเออมันจะตายมันจะไฟจะไหม้หมดไปรถไฟจะไหม้คนไม้ก็ไม่ปฏิกิตายของเองเนี่ไม่ใช่ข่าไอ้คนใจดําใจหินอะไรมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่สามันของคนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ร้ายไม่ว่าจะเป็นโจรมันก็มีจิตใจที่จะเมตตาหรือว่า มีน้ำใจที่จะเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็น่าจะช่วยเหลือไอ้น้ำใจอันนี้ยอย่าว่าแต่คนหรืสัตว์หลายประเภทมันก็มีสัตว์หลายประเภทมันมีอันนี้เหมือนกันแต่คนนี่มีแน่นอ น, นยิ่งคนอยู่ในสังคมที่เจริญมันรู้เรียนรู้ว่าการมีน้ำใจคืออะไรการช่วยเหลือเกื้อกูลกันคืออะไรคนมันรู้ทุกสังคมแหละไม่ว่าจ ะ, จะเป็นสังคมคนป่ายิ่งสังคมคนเมือง มันไม่ ม, เไไ ม, ม, ม, มีเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่รู้ว่าการช่วยเหลือเฟื่องฟายคนมันคืออะไรและมันดียังไงเป็นไปไม่ได้นะต้องรู้คนต้องรู้และเมื่อคนไม่มีจิตที่ร้ายแล้วมันก็มีแต่จิตที่ดีก็ช่วยเหลือเฟื <tournaments> ่องฟายกันไปแต่การช่วยเหลือเฟื่อฟายคนยิ่งยากช่วยช่วยเขาให้พ้นทุกข์แท้ๆเนี่ยโอ้โห oires, ยิ่งกว่าลากหมูลงน้า เคยเคยลากหมูลงท่าน้ำไหมที่นครปฐมนี่เขาเลี้ยงหมูกันเยอะนอะน่าจะเคยเจอลากหมูลงน้ำนี่มันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนน้ำมันไม่วิ่งลงน้าให้หรอกเพราะฉะนั้นวิธีที่จะให้หมูลงน้ำนี่เขาทำยังไงรู้ไหมเขาหันหัวไปลงน้าแล้วเขาดึงหางมันขึ้นข้างบนแล้วมันก็จะวิ่งลงน้คคงงาค่อยๆวิ่งทำดึงมันปล่อยมันไปทาวิ่งเดี๋ยวมันก็ลงน้า แต่ถ้าดึงมันลงน้าดึงมันจริงๆดึงหามันน้ำด้านหน้ามันขึ้นเป็นหาบนฝั่งนะจากหน้ามันดึงไปเทอมันดึงขึ้นเราขึ้นข้างบนหมดเลยถ้าแรงไม่ถึงมันจริงๆแล้วหมูมันดึงเราขึ้นข้างบนหมดนะคนเนี่ยจะให้เลิกจากทุกให้เลิกจากสิ่งไม่ดีไม่งามนี่ยากยิ่งกว่านั้นยากมากนะจิเลดี่แหละเป็นตัวพลังของแต่ละคนอยู่ในตัวของตนเองทุกคน มันรักษาและเกินรักษาความมันมันดีไม่งามความมีกิเลสมันรักจริงๆแมไม่รู้จะว่ายังไงแต่มาทํางานมา30สิกว่าปีเนี่ยโอ้โหได้คนมาเท่านี้ทํามาตลอดเวลาไม่ได้พักวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่เคยพักตั้งมสกว่าปีแล้วนะได้มาแค่นี้ก็ก็นึกว่าดีแล้วนะ เพราะว่าคนที่มอมเมาเนี่ยในสังคมที่มอมเมาคนให้มีกิเลสเนี่มันมากกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าไม่รู้กี่เท่านะและสนามกระแสะสังคมนี่เรียกว่าสนามแม่เหล็กของสังคมกระแสะสังคมเนี่ยเป็นโลกรีหมดคนก็จะวิ่งไปหาโลกรยสุขอย่างหลาบยศสรรเสริญโลกรยสุขกันยุยังงั้นนะเราพูดยังไงเขาก็ฟังฟังไปยังนั้นน่ะคนตั้งใจฟังบ้างพอเข้าใจบ้างแต่พอฟังจบแล้วไปมันก็ไปแล้ะ กิเลในตัวก็หมุนตกไปตามกระแสที่มันเคยเป็นนะให้มาทางนี้ไม่เอาหรอกไม่มาง่ายงายแต่คนที่ตั้งใจก็มีนะคนที่เห็นว่าเออมันทุกข์มันน่าจะออกมาทั้งนี้เพราะคนที่ไม่ทุกข์จริงๆคือคนที่ฐานะดีมีอะไรสิ่งแวดล้อมที่ช่วยได้ไม่มีวิบากที่จะต้องได้รับการทุกข์ทรมานอะไรพวกนี้ยาก จะบอกให้รู้จักทุกจะบอกให้เลิกละมาในยากนะก็ไปไงั้นอนะ่ะกินบุญเก่ากันไปนะเสร็จแล้วตายไปแล้วเกิดมาเป็นคนไม่ได้อีกรอกอัตมา บ, บอกตรงๆเลยใ น, น, นีนั่งอยู่นี่ส่วนมากนี่ตายไปแล้วไม่ได้เกิดมาเป็นคนอีกอัตมาไม่ได้แช่งนะไม่ได้ดูถูกด้วยพระพุทธเจา้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายชัดเจนคนที่ตายจากความเป็นเทวดาก็ดีตายจากความเป็นคนก็ตามจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกนะั้นน้อยกว่าน้อยนัก ส่วนมากตกนรกนะส่วนมากไปในทางต่ําส่วนมากไปใช้เวรใช้หนี้ใช้เวรเพราะเป็นปุถุชนอย่างที่อาตมาว่าตลอดชีวิตเนี่ยเป็นปุถุชนเนี่ยจะสร้างหนี้บาปไวท้ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้ทําบุญไว้มากกว่าบาปหรอกทําบาปมากกว่าบุญทั้งสิ้นเพราะไม่ศึกษาสัจธรรมมาศึกษาดีๆแล้วจะเข้าใจจะเห็นจริงเลยว่าจริงจริงๆยัาอาตมายกตัวอย่างไปง่ายๆเลยสุขกิเลสคุณก็โตทุกกิเลสคุณก็โตแล้วคุณจะทํำยังไง ว่าจะมีบุญมากกว่บาปกิเลมันโตนี่ก็คือบาปแล้วเพราะงั้นมันไม่มีทางที่จะไปจรถ้าไม่ศึกษาสัจธรรมพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าท่านค้นคว้าความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่อวตารของพระเจ้าเหมือนพระศาสดาของศาสนาที่นับถือพระเจ้าเนี่ยพระบรมบาทก็ตามพระ เยซูก็ตามหรือพระอะไรก็แล้วแต่ที่ถือว่าเป็นศาสดาของศาสนาแต่แศาสนาที่เป็นเทวนิยมเนี่ยเขาถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่แต่ต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ออกมาเป็นศาสดาประกาศศาสนาเนี่ยเขถือว่าอวตารอวตารของพระเจ้าแต่ต้องไม่ได้พิจารณาไม่ได้และคนไม่มีสิทธิ์ไปเรียนรู้อันนั้นคือสิ่งหนึ่งลึกลับ ไม่มีใครแตะต้องไม่มีใครเรียนูเอาอย่างไม่ได้เพราะไม่ใช่คนเอาอย่างไม่ได้เพราะไม่ใช่คนนี่ศาสนาเทวนิยมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าศึกษามามีรู้กี่ชาติท่านเจอศาสนาเทวนิยมมานับชาติไม่ถ้วนเพราะเกิดมาไม่มีเทวนิยมครองโลกอยู่เทวนิยมนี่ครองโลกอยู่เป็นสามันแม้ศาสนาพุทธนี่หมดไปนี่อีกไม่นานสองพอีกสองพันกปีศาสนาพุทธนี่ก็สิ้นไม่เหลือแล้ว และไม่มีศาสนาพุทธมีแต่ศาสนาเทวนิยมจะมีไปอีกนานเท่าไหร่ก็อาตมาไม่พยากรไม่พูดนะช่วงระยะนั้นก็จะว่างจากศาสนาพุทธแต่มีศาสนาเทวนิยมอยู่ในคลองโลกคลองโลกอยู่ในะช่วงที่เรียกว่าไม่มีศาสนาพุทธนั้นท่านเรียกว่าพุทธันดอนนะเป็นยุคพุทธันดอนไม่มีศาสนาพุทธนะช่วงที่มีศาสนาพุทธหลพพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านเห็นว่าท่านรู้อย่างอาตมานี่ก็รู้ไม่ต้องไปถึงพระพุทธเจ้าว่าศาสนาเทวนิยมคืออะไร เป็นอย่างไรเข้าใจอย่างไรรู้เพราะได้ศึกษามาไม่รู้กี่ชาติคนทุกคนเกิดมาผ่านศาสนาเทวนิยมทั้งสิ้นไม่มีใครไม่ผ่านผ่านทุกคนผ่านศาสนาเทวนิยมส่วนคนที่จะก้าล่วงพ้นมาจากเทวนิยมมาเป็นอะัเทวนิยมเนี่ยก็ถึงบารมีถึงจะข้ามาถึงถ้าไม่ถึงบารมีไม่ข้าข้ามาไม่ได้ก็จะติดอยู่ที่เทวนิยมนั่นแหละนะ จะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอวตารจะเป็น อ, องค์การเพราะงั้นพุทธิเป็นพระศ า, าสดาก็จะรับองค์การรับองค์การมาจากพระเจ้าให้มาประกาศทําตามอย่างเดียวก็แล้วกันไม่มีสิทธิ์ไปวิจารณ์ไม่มีสิทธิ์ไปศึกษาอะไรอย่างลึกสุดท้ายก็ว่านั่นเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรที่เป็นต้นเขาก็จะมีแต่แค่นั้นนะ ส่วนพระพุทธเจ้านั้นได้ศึกษามาแล้วบอกโอ้อย่างงี้มันยังไม่จริงยังไม่ถึงสัจธรรมยังไม่ถึงแก่นสัจธรรมท่านจึงมาตรัสรูท่านเองหรือมาตรัสรูตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก่อนๆพระพุทธเจ้าเรานี่คนคว้าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายได้พบพระพุทธเจ้าถึง5 1 2แสนหนพระองค์ห้าแสนหนึ่งหมพระองค์ เจอพระพุทธเจ้ามาคิดดูสิบางคนเราเกิดมาจะได้ยุคที่จะเจอพระพุทธเจ้าแต่ละชาติมันง่ายนักเลยที่บางคนนั่งอยู่ในกับเกิดมาชาตินี้ก็ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้ากันนะไม่ได้เจอง่ายง่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดแล้วเกิดเล้วนับชาติไม่ท้วนขนาดชาติที่เด็เจอพระพุทธเจ้าก็ตั้งห 0,000 นพระพุทธองค์ละห้าแ 5,000 พระพุทธเจ้าคิดดูสิห้าแ0 0ก่อพระพุทธเจ้าท่านจะเกิดท่านตายท่านเกิดทเท่าไหร่แล้วท่าก็ศึกษาอันนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยเป็นพลวัตปัจจัย ศึกษาและก็เป็นบารมีเรืยไปสั่งสมบารมีรู้แจ้งเห็นจริงรู้คุณธรรมรู้ความจริงรู้สารสัรจจะอะไรมาเรื่อย ๆ, ๆที่อาตมาพูดอันนี้ได้เพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาได้ศึกษาอันนี้มาก่อนชาตินี้อาตมาไม่ได้ไมาเรียนธรรมะกับใครหรอกเป็นของเก่าอาตมาทางนั้นที่เอามาสอนอยู่ทุกวันเนี้เป็นของเก่าที่อาตมาได้สั่งสมมาแต่ปางบันทั้งแต่ชาติก่อน ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเป็นบารมีที่อาตมาได้สะสมมา พระบรารมีนี่สะสมได้สะสมความรู้สะสมคุณธรรมสะตสมสะสมสิ่งที่เป็นสัจธรรมอะไรมาได้พระเจ้าก็สั่งสมมางั้นเพราะงั้นเมื่อมท่านมาตรัสรู้ท่านก็เห็นว่าเออเทวนิยมนี่นก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะคนฐานที่จะอยู่แค่เทวนิยมเขาก็จะอยู่งั้นนะเข้ามาอัเทวนิยมไม่ง่ายไม่ง่ายฐานที่เขาอยู่งนั้นก็ต้องอยู่งั้ น, นเขามีบรารมีเท่านั้น เพมบารมีคนที่จะข้ามรอบมาสู่อเทวนิยมนั้นจึงเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับที่สูสัจธรรมและก็พิสูจน์จิตวิ ญ, ญญาณคืออะไรล้างกิเลสออกถึงจะรู้จากจิตวิญญาณที่แท้เพราะจิตวิญญาณนี่กิเลสก็อยู่ในจิตวิญญาณมันทำไมล้างกิเลสออกหมดก็ไม่เห็นจิตวิญญาณจริงในตัวเรานี่มีจิตวิญญาณอยู่ในตัวเรา ตัวเราเนี่เหมือนท่อแท่งทดลองเหมือนหลอดทดลองวิทยาศาสตร์เหมือนเทสทิวแล้วจิตวิญญาณของเราเหมือนสับเจ็ดอันนึงอยู่ในหลอดทดลองนี่เป็นของแท้อยู่ในแท่งปลอดทดลองนี่แล้วเราก็เรียนรู้ที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เองพิสูภิสูวิกิเลตคืออะไรจิตวิญญาณที่ล้างกิเลสออกแล้วจิตวิญญาณจะเป็นอย่างไรอ่า ล้างออกไปเท่านี้จิตวิญญาณสะอาดมาเท่านี้มีลักษณะอย่างไรสัดส่วนที่ว่าอื่นนี่มันไปติดเฉพาะอย่างนี้เนี่ยเมื่อมันไม่ติดเฉพาะอย่างนี้แล้วมันไปติดเล่าติดยามันไปติดเครื่องแต่งตัวมันไปติดเพชรติดพลอยมันไปติดลาบไปติดยศไปติดเงินทองไปติดข้าวของไปติดน่นติดนี่ติดลูกติดหลานอะไรก็แล้วแต่ล้างออกมาจริงๆแล้วพอมันล้างล่อนออกมาแล้วมันเป็นยังไงจะเห็นนะโอ้จิตสะอาดที่ไม่ติดไม่ยดเป็นอย่างนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจิตที่ล้างสะอาดจากกิเลสไม่ติดไม่ยึดแล้วนี่เป็นจิตที่เสื่อมเป็นติดคนชั้นต่ำไม่ใช่เป็นจิตคนชั้นสูงลูกก็รลูกหลานก็ร้หลานเงินก็รูเงินทองก็รูทองไม่ได้ย่ํายีไม่ได้ทําให้มันเป็นเรื่องเสียหายจะมีหน้าที่เกี่ยวกับเงินทองอย่างไรที่ดีที่ควรเกี่ยวกับลูกหลานเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องอย่างไรไม่ได้ติดแล้วนะไม่ได้ติดพ่อติดแม่ไม่ได้ติดลูกติดหลาน แต่ควรจะปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นมนุษย์มนุษย์คนนี้เป็นลูกจะทำหน้าที่อย่างไรกับพ่อแม่มนุษย์คนนี้เป็นพ่อแม่จะทำหน้าที่อย่างไรกับลูกมนุษย์คนนี้เป็นเพื่อนกันมิตรกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะทำอย่างไรต่อมิตรที่ดีกันจึงอย่างนี้เป็นหน้าที่ที่ดีที่ไม่ดีผู้ที่มีจิตปัญญาที่ประเสริฐมีปัญญาที่จริงและสามารถทาให้จิตของตนเอง เป็นไปตามที่เรารู้ดีรู้ชัวร์จะทําดีได้ยังไม่ยากเขาก็จะทำํำจะเป็นมนุษย์ที่จะทําสิ่งอย่างนี้เพราะคนที่ปฏิบัติธรรมมของพระพุทธเจ้าแล้วล้างเกล็ดให้จริงจึงเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่ควรจะเป็นและไม่ทําอะไรเกินเรื่องสิ่งที่ควรเป็นแค่นี้ก็ควรแค่นี้มากเกินไปแล้วก็ไม่ควรมันโต่งไปเรียกว่ามันมากไป มันมในระดับเกินขีดเรียกว่าอันตาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อสังคมอาตมาได้เกริ่นมาแล้วว่าการตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวทุกคนตายทุกคนและเคยตายมาแล้วกันทั้งนั้นเกิดมาได้มาฟังธรรมที่อาตมาเทศเนี่ยเป็นคนมีบุญระดับหนึ่งนี่ไม่จะพูดคุยโอคุยเขื่องไม่ใช่พูดสัจธรรมให้ฟังคนไม่มีบุญไม่ได้มาฟังเทศที่อาตมาเทศหรอก ถึงแม่ฟังเทศที่อาตมาเทศก็ไม่รู้เรื่องคนไม่มีบุญนะไม่รู้เรื่องขอยืนยันยืนยันคนที่ไม่มีผู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องฟังแล้วพูดอะไร ว, วนไปวนมาบางทีก็ขัดแย้งในตัวเองเพราะเรายึดถืออย่างหนึ่งอาตมาเทศอีกอย่างหนึ่งแบบเรายึดถือแบบโลกโลกอาตมาเทศแบบเหมือนกับกบก็บปลาอ่า กบมาเล่าให้ปลาฟังบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ปลาก็อื้มไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรอยู่บนโลกไม่เห็นมีมันก็อยู่ในน้ํำแั้งรู้เรื่องแต่ในน้ําอยู่บนบกมีอะไรอะไรมันเล่าให้ปลาฟังกบมาเล่ายังไงยังไงปลามันก็บอกไม่รู้เรื่องดีไม่ดีนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วงงมึนเข้าใจผิดกลับกันอีกสังหานเข้าใจผิดกลับกันอีกสังหานี่เป็นเรื่องจริงนะ เพราะคนที่มาฟังทำที่อาตมาเทศเนี่ยคนที่ได้มาฟังนี่ไม่ใช่ว่าพูดเล่นเป็นคนมีบุญแล้วส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งถึเจ้าได้มาฟังอย่างนี้เพราะคนทั้ทุกคนในโลกนี้มีบา ร, รมีมีสัจจะแต่ละคนแต่ละค น, ะคนทั้งสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องสามัญไม่ใช่เรื่องปกติ ท, ทีเดียวแต่เรื่องปกติก็มีก็เป็นโลกโลกอยู่งั้นละตกดาก้านโกขึ้สวรรค์แบบโลกโลกนะหลงไปหลงโลกโลกทำดีบ้างดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ แต่ไม่รู้สัจธรรมอย่างไรเรไม่รู้จักกิเลสหรอกมุนวนอยู่นะตกสวรรค์ตกนรกขึ้นสวรรค์ก็ตกสวรรค์ไม่ใช่ขึ้นสวรรค์แลอยู่สวรรค์ถาวรสวรรค์ถาวรไม่มีนอกจากเทวณยมเขาพูดเอาเองขึ้นสวรรค์ไปอยู่ข้าพเจ้านิรันดรไม่มีพระพุทธเจ้าท่านจัดสรุแล้วถ้าเทวนิยมนั้นเป็นสวรรค์นิรันดรจริงพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาอันนั้นเพราะท่านค้นคว้าถึงความจริงสูงสุดท่านผ่านแล้ว บอกเล้ว่าท่านผ่านอย่าว่าแต่บุรุษเจ้าท่านผ่านเลยอาตมาก็รู้และอาตมาก็เอามาเปิดเผยพูดอทุกวันนี้ยนะเกรงใจเกรงใจพวกศาสนาเทวนิยมเกรงใจกลัวเขาจะโกรธกลัวจะเขาจูดสึกว่าไปคมไปยกตนข่มท่านหรือว่าไปพูดเหนืออะไรอย่างเงี้ยอาตมากเกรงใจเกรงใจแต่ก็ไม่รู้จะทาไงมันเลี่ยงไม่ออกที่จะต้องพูดก็ขออาภัยกันก่อนจะพูดก่อนจะ วิจารณกวรจะว่าอย่างงั้นมันยังไม่ดีนะยังไม่ถูกต้องนะั้นอย่างนี้ดีกว่านะเงี้ยกว่าจะพูดใช้ภาษาจำนวนพยานที่สุดที่จะไม่ให้มันเกิดบาดจิตบาดใจกัน อ, อตาตมาก็ทําอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเป็นบริสัทจะที่เลี่ยงไม่ออกมันยากนะที่จะบอกที่จะว่าเพราะนนั้สิ่งที่ดีสิ่งที่งามเนี่ยมันก็พระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนเราที่อตาตมาบอกเล้ว่าอย่างศาสนาที่เทวนิยมเนี่ยศาสดาไม่ใช่ไม่ใช่คน เขาถือว่าเป็นสิ่งพิเศษแต่ต้องไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เป็นอย่างศ า, าสดาไม่ได้แต่พระพุทธเจ้านั้นท่านยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนพระพุทธเจ้าเองก็คือคนทุกคนจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้วิจัยวิจารณ์ได้ค้นคว้าได้ปฏิบัติจนเป็นอย่างพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งได้ด้วยแต่อย่าง菩萨ษาของศาสนาเ ท, เทวนิยมไม่มีสิทธิ์เป็นนอกจากพระเจ้าสั่งของเขาเป็นอย่างนั้นต่างกัน พระศาสนาพระพุทธเจ้าคือเป็นศาสนาที่ตามพิสูจน์ได้ท้าให้มาพิสูจน์ได้ทุกคนมีสิทธิ์เป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้ปรินิพานได้ถึงสิ่งสูงสุดถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาก็ได้ท้าทายให้พิสูจน์ใครจะเอาในขั้นไหนระดับไหนก็ได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านมีท่านเป็นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าที่มนุษย์ จะเข้าถึงส่วนศาสนาเทวนิยมนั้นคนเข้าถึงยากเข้าถึงไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนละลาบละลวงไม่ได้นะต่างกันตรงนี้นะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นได้นะพระพุทธเจ้าเป็นอะไรได้ท่านไม่เคยข้ามกันใครจะสามารถเป็นอย่างท่านได้ทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องพิเศษนะการตายของคน ค, คือการเปลี่ยนร่างผู้ที่ทําดี เกิดมาอีกใหม่ทรัพย์ที่ทำมาไว้คือกรรมกรรมที่ทำไปทุกกรรมแม่แต่คิดคิดชั่วนิดหนึ่งก็เป็นกรรมไม่มีขาดหกตกล่ปลอมไม่ได้แปลงไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ทำในที่ลับทำในที่แจ้งเป็นของเราหมดถ้าเราทำเราจะทำยังไงก็แล้วแต่จะทำโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวโดยที่เราเองเราทำในที่ลับในที่แจ้ง ทำหนักทำเบาเบาก็สังสมลงเป็นเบาอย่างเบานะหนักก็สังสมมันเป็นหนักคนเหมือนขวดน้ําขวดหนึ่งทํากรรมชั่วกรรมดีสมมุติว่ากรรมชั่วเป็นแดงก็ทำก็ใส่ลงไปในนั้นแนหะในขวดน้นะํานั้นทําดีคือน้ําเงินก็ใส่ลงไปในนั้นอยู่ในนั้นแนหะไม่หกไม่หล่นไม่รั่วไม่ซึมไม่ระเหิดไม่ระเหยไม่ระเหิดอยู่ในนั้น ตลอดจนกว่าจะบริญิพานและมีฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาเช่นเราทำแต่แดงแดงแดงแดงคือรับแต่ชั่วชั่วชั่ชั่วน้าเงินก็มีอยู่ในนี้นะแต่หนักเข้าแดงกลบบทไม่ออกฤทธิ์เป็นน้ําเงินเลยนั่นคือออกฤทธิ์ชั่วออกอริทุกข์ให้แก่เราแต่ถ้าเราหยุดแดงหรือทําแดงน้อยลงทําน้าเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแดงก็ลดค่าลงน้ําเงินก็มากขึ้นมากขึ้นก็ออกฤทธิ์เห็นแต่น้าเงินด้วยน้ําเงินก็แสดงฤทธิ์มากขึ้นเพราะเราทําแต่ดี แต่ไม่ได้หายหายไปแดงที่มีอยู่ก็ไม่ได้หายไปน้ําเงินที่มีอยู่ก็ไม่ได้สูญหายไปข้อสําคัญอะไรมากอะไรน้อยเท่านั้นมันก็จะออกฤทธิ์อ น, นั้นต์เพราะฉะนั้นการหยุดชั่วประพฤติดีก็จึงออกฤทธิ์ให้แก่ตนเองอย่างนี้ทีนี้ศา ส, สนาพุทธนั้นยิ่งกว่านั้นตรงที่ว่าไอ้ที่มันทําชั่วนะ่ะมันไม่รู้จักจบจากสิ้นวนเวียนแล้วก็ไม่รู้เอาวิชายอยู่ตลอดกาลนานนั้นคือกิเลสพระเจ้าพระเจ้าจึง ทำดีก็ทําเป็นกุศลโลกีอาศัยเป็นกรรมปิติสรโนและอาศัยแต่ล้างกิเลสเหตุที่มันพาทําชั่วล้างออกให้หมดด้วยศา ส, สนาพุทธมีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นดีที่เป็นโลกียะก็มีด้วยกิเลสหมดไปด้วยเหตุที่จะทําชั่วก็หมดไปอย่างถาวรด้วยเหมือนเอาตะ ก, กรอนออก ศาสนาพุทธิมรรตตกรออกแต่ทางดูสีทางศาสนาใ ด, ด้อื่นๆไปนั่งสมาธิกดข่มจิตอย่างนีน้มันถ้าเกิดกดข่มกิเลสเอาไว้อยู่ใต้ก้นของแก้วน้ำข้างบนกดใสก็ใช้แต่น้ําข้างบนหรือมองแต่น้ําข้างบนไม่พยายามที่จะไปเกี่ยวข้องกับไอ้กิเลสนะนะคือไม่รู้จักกิเลสนะกดให้กิเลสมันนั่นให้มันนิ่งให้มันหยุดสมถะได้ใช้แต่ น, น้ําใสนี่แต่มันไม่แน่นอนไม่เที่ยงก็มันไม่มีหมดเหตุ หากวันหนึ่งมังเห็นมันก็ฟุ้งขึ้นมากระจายขึ้นมาออกคิดฏีิได้อย่างเก่าแต่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อย่างนั้นให้รู้เลยว่าจิเลและขจัดฆ่าให้ตายเหมือนหยิบฝุ่นนี่ออกจากน้ำํำให้หมดหมดไปหมดออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไม่มีฟุ้งคุณจะกวนน้ำนํำยังไงน้ําก็ใสตลอดกาลนานเพราะฝุ่นมันออกไปจนเกลี้ยงสิน้นอะไรมากวนก็ไม่ขึ้น แต่ของสมถะหรือของดูสีของาศาสนาไม่ใช่พุทธนั่นนะของอาราณดาบทอุทมกถดาบทอะไรก็ตามนะอะไรมากวนกวนแดงแงคุณนะเพราะมันสะกดจิตไว้เท่านั้นเองของ่าบพระเจ้านั้นมีทั้งดีโลกียะและเอากิเลสออกด้วยเป็นโล ก, กุตระสุดท้ายทำแต่ดีและไม่มีกิเลสที่จะพาทำชั่วจิตใจกระพองไ ส, ส่สบายโ ล, งลง่งโปร่งแล้วไม่เกิดกิเลสอีกไม่ทาชั่วอีก มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติไปอีกนานเท่านานจนกว่าจะปรินิพานเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็เป็นผู้ที่จริงเป็นบริษัทมหาสัตว์ท่านหมดกิเลสแล้วท่านมีแต่ช่วยโลกแล้วก็สั่งสมบารมีสัพพัญญูไปเรื่อยๆเลยมีแต่ประโยชน์ทำเพราะตัวท่านเองท่านหมดกิจของท่านท่านไม่มีทุกข์ไม่มีสุขท่านไม่มีหลักไม่ยศท่านไม่มีอัตตาท่านไม่มีได้มีเสียอะไรแล้วท่านมีแต่ช่วยเหลือมนุษย์หรือขนสัตว์อย่างเดียว พระบริษัทจึงศึกษาโลกไปเท่านั้นเองเป็นผลที่จริงก็ไม่ไทยทันได้เพราะถ้าท่านรู้จากโลกวกิถูมากมีวิธีที่จะช่วยโลกได้มากสัตว์โลกก็ได้ประโยชน์จากท่านมากท่านก็เหนื่อยมากไปเท่านั้นเองท่านก็มีแต่มาช่วยโลกเท่านั้นเองท่าไม่ได้อะไรหลาบยอสันเซินโลกีสู่ท่านก็เฉยๆเฉยนึกวไม่ได้ไปติดประยึดอะไรมีแต่มาช่วยมนุษยชาติอย่างนี้เป็นต้นนะพระบริษัทหรือพระอริยะจากชั้นศูนย์ท่านจะเกิดมาอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชา ต, ชาติก็เป็นบุญของโลก เป็นประโยชน์ของสัพว์โลกเท่านั้นนะเพราะการตายการเกิดผู้ที่มีบุญมีกุศลตายก็ไม่กลัวเพราะตายแล้วมันก็ถ้ายังไม่ปริญญาผ่านมันก็มาเกิดอีกเกิดอีกถ้าเราได้ทํากุศลไว้เกิดมาใหม่ก็ได้รับสิ่งที่ดีรองรับนะมีบุญมีทรัพย์แท้อัตมาบอกว่ากรรมเป็นรีบากนี่เป็นทรัพย์แท้นะ ไอ้เรื่อลาบยศสันเซินไอ้ทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชาติที่ดินที่นาที่ไร่อะไรมันไม่ใช่ของแท้หรอกนี่ยังไม่ใช่ของแท้ของเราเลยนี่เราก็จะตายจากมันไปเนื้อหนังกระดูกเราอยู่กับตัวเราแท้ๆนี่ประวัติศาสวันนี้ไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรายังไม่ใช่ของเราเลยยังจะตายจากไปเลยเเงินทองเข้าของนี่คุณไปกหอบห่งมาอัตมามีตัวอย่างที่เทศทุกทีพยายามยกตัวอย่างอันนี้ทุกทีเพราะมันเข้าใจง่าย คุณไปทําดีก็ตามได้ซับมากอดเอาไว้มีพันล้านหมื่นล้านแสนล้านยิ่งคุณไปปล้นไปจี้หรือไปคอร์รัปชันไปเอาเปรียบชัวแล้วนะไปเอาเปรียบนี่บาปอยู่แล้วยิ่งปล้นยิ่งจี้คอร์รัปชันก็นแน่นอนยิ่งบาปแต่คุณได้เงินคุณฉลาดโอ้โหคอร์รัปชันมาได้แสนล้านกอดไว้ต่อให้คุณกอดเอาไว้ไม่กระดิกสักแดงเดียวเลยกอดไว้ไม่หายใครร่ะจนตาย ถามว่าคุณเอาไปได้ไม่แสนล้านนั่นเป็นของคุณไหมใครตอบไม่ได้คุณเอาไปไหมแสนล้านกอดไว้จนตายเนี่ยจะไปกับคุณไหมเป็นของคุณไหมมันไม่ไปแต่กรรมที่คุณคอร์รัปชันคุณชั่วคุณไปป้นมาจี้มาไปไห ม, ไมนั่นล่ะรั์แฉนี่คือตัวอย่างที่อาตมายกบ่อยๆเกือบทุกทีที่เทศยิงศพนี่จะเทศ เรื่องยกตัวอย่างตัวนี้มันชัดมันง่ายที่จะเข้าใจและคุณบอกว่าคุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้โปรนิจี้คุณตายแล้วบอกเออไม่เอาเราทิ้งไว้นโลกนี่แหละฉันโปรนก็แล้วไปสิเงินกระเจก็ไปเดาไปนี่จะเอาให้บาปฉันไปทําไมได้ไหมปฏิเสธได้ไหมกรรมสักตากรรมเป็นของของตนกรรมสโกมหิกรรมทายาโขกรรมโยนิกรรมปฏิสรนนกรกมเป็นของของตนคุณต้องเป็นทายาทของกรรมที่คุณทําไม่เอาไม่ได้แบ่งใครก็ไม่ได้ ไม่เอาไม่ได้บอกเออไม่ออทาบาปไปร้อยหนึ่งเราไปทําบาปเต็มเต็มร้อยหนึ่งเลยนะเสร็จแล้วว่าเออไม่เอาเจ็ดสิบห้ายิมผ้าใครจะเอเอไปสิ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> แบกให้ลูกยิมผ้าเราทำบาปลอยหนึง่งเราบอกเอาลูกก็ไปบงช่วยแม่หน่อยสิเอาเอาไปยิมผ้าให้แม่เอา7จ็เจ็ผ้าก็พอลูกก็ไปยิมผ้าช่วยแม่หน่อยนะเอาบาปไปยิมให้ลูกขอแม่ขอไว้เจสิบ้ามันได้ไหม แบ่งไม่ได้จะแบ่งรูปแบ่งล้านแบ่งใครไม่ได้กรรมทายาโทษต้องเป็นทายาทของกรรมของเราเองเราทำเท่าไหร่เราต้องรับทั้งหมดไม่รับไม่ได้แบ่งใครก็ไม่ได้ทิ้งขว้างไม่ได้ไม่ตขกตกหลนไม่ระเหิดไม่ระเหยไม่ระเหิดอยู่เต็มเตมกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นของเราไปแล้วมันก็จะออกฤทธิ์ออกเดดไปอย่างพระพุทธเจ้าท่านสร้างบุญบารมีเกิดมาพั่งพร้อมมีคุ้มทรัพย์สีทิศก็ของท่านเองท่านสร้างมามันไม่เป็นรูปเป็นร่างนะแต่มันเป็น พลังงานสั่งสมที่อจินไตยบอกไม่ได้มันเป็นของท่านเองท่านมาก็มีพลั่งพร้อมอยู่ที่นางวิสาขามัง่งอยู่ที่อนาตกะอิตกะเศรษฐีมัธธม่งอยู่ที่ ใ, ใครใมัง่งเขาก็เอามาคืนทั้ดเถ้าอยากได้บุตรใดก็ยิ่งกว่าเป็นเจ้าของเงินในธนาคารอยากได้เมื่อไรก็เอ า, าของขอ ง, ของท่านเขาก็ามาให้ท่านสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้พิสูจน์ถ้าไม่ได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงก็จะเชื่ อ, อยาก แต่ก็คงคิดว่าคงพอรู้กันคงพอเห็นพอรู้อยู่มันมีอะไรอะไรมีตัวอย่างมีประวัติมีประสบการณ์มีโอ้โหมนุษย์มนาสัตว์โลกมันเห็นเยอะนะงั้นใครยิ่งไม่อยากได้ยิ่งให้ให้ให้ให้ใหใหไปการให้ไปนี่แหละเป็นของเราให้ไปนี่เท่ากับฝากธนาคารทานหรือบริจาคเนี่ยมันเท่ากับฝากธนาคารถ้าเรายิ่งเอามาเอามาแล้วก็มากอดไว้ไม่ทําอะไรเลยหรือเอามาบําเรอตนเองก็ตามเอามาพราน เอามาใส่ปากงูเหา่เามาเผาลงไปในกองไฟหรือเอาไปทิ้งในเหวลึกอะไรเงี้ยมันก็หมดสูญไปวะปะ่าเราผลาญเราทําลายแต่แม่คุณไม่ทําลายคุณกอดว่าอย่างที่อาตมาว่าจนตายไปมีเท่าไหร่กี่แสนกี่ล้านล้า น, านตามใจมันก็ไม่อะไรเป็นของเรายิ่งคุณไม่ให้ยิ่งคุณไม่สละยิ่งคุณไม่ฝากธนาคารชาติต่อไปมันก็ไม่ใช่ของเราขนาดทําพินัยกรรมยังไม่ใช่ทานเลย พินัยกรรมเนี่ยเป็นความจำนวนของคนห่วง่า้จนตายตายแล้วเองค่อยเอาคนะ่ายังไม่ตายค่าไม่ให้ทำพพินัยกรรมไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันทะเลาะ ก, กันนั่นเองแต่ตัวเองไม่ได้ทานหรอกคุณไม่ทำพินัยกรรมเขาก็ต้องเอากันอยู่แล้วตายไปแล้วคุณไม่ทำพินัยกรรมเขาต้องเอาเป็นแต่เพียงว่าเขาจะแย่งกันหรือไม่เท่านั้นเองใช่ไหอพินัยกรรมไม่ใช่ทาน คนที่ทำพินัยกรรมไม่ได้มีบุญสักนิดน้อยเลยไม่เป็นฐานเพราะงั้นใครจะทานก็ทานแต่แต่เป็นปนไม่ใช่ทำพินัยกรรมไปแล้วนั่นคือบุญที่จะได้ไม่มีพินัยกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ฐานไม่ใช่บุญบุญจะได้ก็ต้องทำจะต้งแต่เป็นปนคนทำแล้วได้ทำไปหาพ่อหาแม่ส่งไปให้พ่อให้แม่ตายถามหน่อยคนตายไปอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ ใครคนส่งนรู้ไม่ไปสุนีคือพระนี่แม่ทำเป็นแม่เอาจวดน้ําส่งมาให้พ่อที่ตายนะยะ า, าวารีวาหามนี่บอกพระรู้ไหมว่าพ่อที่ตายไป อ, อยู่ว่าเล็กที่เท่าไรอยู่นรกหรือสวรรค์ยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนเอาไปให้ส่งแมให้ผู้ตายนี่คนอวดดีนะกรรมเป็นของของตนแบ่งให้ใครไม่ได้ถ้าบอกว่าแบ่งได้มันก็ขัดแย้งคาตรัสพระเจ้าแล้วพระเจ้าสอนว่ากรรมเป็นของของตนแบ่งไม่ได้ แบ่งบุญแบ่งบาปเอาละพิสูจนให้เห็นเดี๋ยวนี้อัตมามีบุญเท่าไหร่ขณะนี้ยังไม่ตายยังอยู่บ้านเลขที่อ๋อคนเนี้นี่อยู่บ้านเลขที่66นี่ขณะนี้นั่งอยู่ตรงนี้บนโตานี่มีบุญเท่าไหร่ขณะ น, นี้อัตมาให้ใครอยากได้บุญของอัตมาที่มีอยู่เป็นของอัตมาให้คุณเอาจะเอาโดวยวิธีใดอย่าเอาน้ากรดมาล่าอัตมานะ จะเอาอิโต้มาถากนะตัตมาตายลูกเดียวเจ็บลูกเดียวจะเอาด้วยวิธีใดบุญเนี่ยนี่จะไม่ตายจากกันเนี่ยให้จริงๆให้คุณเอาได้ยังไงอ่ะแบ่งไปได้ยังไงฮะบุญคือคุณธรรมบุญคือนา ม, มาธรรมบุญคือของผู้ใดกระทำกรรมรมศกตารกรรมสโกมิเหทําแล้วเป็นของของตนคุณแบ่งได้ยังไง นี่สอนศาสนาพุทธสอนทั่วบ้านทั่วเมืองอ้าวส่งบุญส่งกุศลไปให้ผู้ตายาทำกันหลอกป้ายมาทำทานทานก็คือการให้ไม่ใช่บุญนั่นคือสิ่งที่เป็นการชาระ ก, กิเลสหรือเป็น ค, คุณงามความดีที่ของผู้ใดกระทำกรรมกุศลกรรมเรียกว่าบุญผู้ใดทากุศลกรรมก็เป็นของผู้นั้น นี่ซอนกันเพียนม า, มากๆแล้วก็หลอกกินไปใช้ไปอะไรอะไรกันไป น, นี่เป็นเรื่องที่อาตมาก็ขอเผยให้ฟังว่าอย่าไปทําเลยที่นี่ไม่มีตรวจน้ําตรวจท่าอะไรหรอกเพราะว่าตรวจน้ําตรวจท่าไม่มีในาศาสนาพุทธมันมีหลังหลๆเนี่ยมันเพียนแล้วก็มาทําไปตรวจน้ำตรวจท่าอะไรกันไปแล้วก็ส่งบุญส่งกุศลอะไรไปให้กันอะไรกันอะไรเลอ ะ, ะไม่ต้องพูดถึงกงเต็กกงเต็กนี่มันเลอ ะ, ะยิ่งกว่าอะไรดีไม่ดีเผารถเบนซ์ไปให้ผูตายเผาคนเนคนใช้ ว่โทษเอ้ยคนใช้ไปเผาซ ะ, ะอีกเนี่ยแล้วมันก็มันตัมึงไม่ตายก่อนนีไปเผามันไป ก, ก่อนเผารถเบนกับรถเบนปลอมเผาแบงกับแบงปลอมอะไรต่างๆ น, นนะคือสมมุติกันไปเลอะเทอะไปแล้วก็โอ้โหพทสารพัดไม่ต้องไปพูดเลยยิ่งกงเต็งยิ่งเลอะใหญ่นะอาตมาพูดไปแล้วนี่ก็มีคนจีนมานั่งอยู่นี่นหลายคนนะก็อาตมาก็ว่าเป็นตรงๆในขออภัยถ้ามันกลายไปว่าเป็นลบหลูอลบเหลอะอะไรก็ขออภัย แต่ก็มาพูดสัจธรรมสู่ฟังยังไม่เสียเวลาในสิ่งที่มันเสียเวลาเลยเสียเวลาแล้วมันไม่ได้เรื่องด้ราวอะไรเปลืองเปล่าไม่เข้าตาไม่เข้าทาเขาทางอะไรแทนที่จะให้คนที่ทํากงเต๊กขายเนะี่ยมาปลูกต้นหอมต้นผักอะไรกินขายเออยังไม่ยังเป็นประโยชน์กับมนุษย์ไปทํากระดาษมาเปลืองของกระดาษ เ, เปลืองนั่นเปลืองนี่มันทําเสียเวลาแล้วขายแพงตายชักโอ้โหนะ ก็แบ่งแบ่งแ บ, งแบงเอามาปอมกระดาษแท้ๆก็มาขายเป็นราคาทัวนั้นทัวนี้ปะโตไอโน่นนี่เอามาติดกาวเข้าก็ขายอะไรหลอกกันไปนะไอตอมาไปางเี้เดียวเจ้าของร้านคงเต็งมาทำลายตมาเอาละพอพูดมากนี่เขาจะมาทําร้ายเอานะเขจะมาทําร้ายเอานะเอาละอตัตมาเทศมาว่าจะไม่เทศนานขนาดนี้พูดไปพูดไปก็ยาวไปเลยนะมันสามโมงจะครึ่งแล้วนะก็เอาละนะเทศมานานแล้ว สิ่งใดที่ได้เทศไปได้บรรยายอะไรไปก็ฟังดูนะคนเราเกิดมาชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ศึกษาสัจธรรมก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรตกนรกขึ้นสวรรค์อยู่อย่างนั้นไปอีกนานเท่านั้นเจ็บปวดทุกข์ร้อนตอนนี้มันมีขนาดนี้มานั่งฟังทำได้ก็ยังไม่ทุกข์ร้อนถึงเหตุถึงเกจะ ก, กาอะไรมันก็ยังพอทำเนาแต่ถ้าเราไปรับวิบากแล้วสารพัดเราไม่รู้ได้ว่าเราจะเป็นอย่างคนเช่นนั้นคนเช่นนี้หรือยิ่งเป็นไม่เจ็คน ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเยอะแยะในโทรทัศน์ทุกวันนี้ก็มีรายการดีอยู่หลายรายการที่ไปค้นหาคนที่ได้รับทุกข์ทรมานอย่างน้น อ, อย่างนี้แล้วก็เอามาประกาศให้ช่วยให้อะไรอะไรไปให้พวกเราเกิดน้ำจิตน้ําใจช่วยเหลือกันนั่นเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ก็ได้ช่วยเป็นสังคมศาสตร์คนที่ช่วยก็เป็นบุญบกุศลเหมือนกั น, นไปการทําบุญทำกุศลเกื้อกูลกันไป แต่คนที่ทุกร้อนไอ้คนนั้นพิการอย่างนั้นคนอย่างนี้มีลูกบางคนมีลูก4ี่ห้าคนเสร็จแล้วลูกมันหายไปหมดแม่เป็นอัมาพาตเหลือลูกคนหนึ่งตาก็บอดด้วยอะไรดูกันไม่ไลายทุรธานนะอออมันเยอะยิ่งกว่านี้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็ไปสรรหามาให้มาดูสารพัดดูแล้วน่าสงสารน่าสมเพชเวทนาคุณไม่เจออย่างนั้นบ้างก็แล้วไปนี่ไม่ใช่แชงนะเรื่องสัจจะ อัตมาแช e ่งก็ไม so ่จริงหรอกใครไปแช่งใครก็ไม่จริงหรอกวิบากใครวิบากมันใครทํามันก็ไปตกเป็นอย่างนั้นต้องงั้นงั้นเองไม่มีใครไปแช่งใครให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ใครจะสักดิสิทธิ์เก่งขนาดไปแช่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นแช่งคนนี้เป็นนี้แช่งให้เร็วแช่งให้ดีบ้าแช่งได้มันก็ดียิ่งกว่าพระบุทธเจ้าพระบุทธเจ้าไม่สามารถจะบอกเออจงเป็นดีทําให้ดีๆปากบอกแล้วก็ดีเลยไม่ได้เขาต้องไปทําเองบุตรเจ้าถ้าบอกท่านเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทาง ท่านช่วยใครไม่ได้หรอกท่านเลยจะบอกชี้ทางคุณเดินเองจะเดินขึ้นเหนือลงใต้อะไรท่านก็บอกทางแล้วทางไปนิพผ่านท่านก็บอกทางไปนรกท่านก็บอกทางไปสวรรค์ก็บอกคุณอยากจะบอกบอกให้เดินไปสวรรค์ดันลงเดินไปนรกเนี่ยมั น, มนจะไปสวรรค์ได้ยังไงนะบอกทางแล้วทางควรเดินไม่เดินหรือไปโลกุตระท่านก็บอกทางโลกุตระท่านก็บอกนี่เป็นต้นนะเพราะงั้นเกิดมาเป็นคนสังวรให้ดีอย่าเสียชาติเกิดเป็นโมฆบุรุษเรียกว่าคนเกิดมาศูญย์เปล่า จงใช้ชีวิตของเรานี้ให้เกิดกุศลอย่างน้อยกุศลโลกีก็ยังดีนะเป็นการเสียสละอย่าไปหัดทําำสิ่งไม่ดีไม่งามทําบาปทําเวญเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ขี่โลกขี่เอาเปรียบอะไรต่างๆนานาคนที่ตายแล้วจะมาทําชั่วอีกไม่ได้นอกจากจะไปเกิดกันใหม่แล้วก็ทํากันใหม่ทําชั่วอีกดีอีกเรื่องของเขาอีกต่อไปเพราะใ น, นชั่วระยะที่ยังไม่ตายนี่มีกรรมกิริยากา ย, ยกรรมวจิกรรมมโนกรรมนี้ จงสังวรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นกุศลให้ได้เสมอเสมอนะไม่ว่าจะเป็นกุศลโล ก, กียิ่งเป็นกุศลโล ก, กุตระได้ยิ่งยอดประเสริฐไม่เสียชาติเกิดในแต่ละชาติแต่ละชาติอขอให้ทุกคนว่าฟังธรรมวันนี้มีสิ่งใดดีๆสิ่งใดที่ฟังรู้เรื่องไปเร่งรัดพัฒนาตนเองอย่าเสียเวลาบางคนอายุมากแล้วแม้อายุไม่มากก็อย่าประมาทและมันก็ควรทําแม้อายุไม่มากก็ควรจะทําสิ่งที่เป็น เป็นทรัพย์แท้ที่ที่ดีให้แก่ตนเองเพราะอันนี้คือทรัพย์ไม่พ่อแม่ก็ให้ไม่ได้ใครก็ให้ไม่ได้เราต้องทำเอาเองของเราเท่า น, นั้นแต่ละคนแต่ละคนเป็นของของตนนะก็ให้ประสบผลที่ดีที่งามสิ่งประเสริฐทั่วทวน ท, ท, ทุกคนเทิน ชีวิตนั